วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เป็นวันที่มีการแสดงธรรมณสถานที่แห่งนี้ตามปกติที่นี่จะมีการแสดงธรรมทุก วันเสาร์วันอาทิตย์วันพระวันหยุดราชการและวันหยุดเฉชย เ, เริ่มต้นตั้งแต่เวลาประมาณบ่ายสองมมงจนถึงเวลาประมาณบ่ายสามโมงท่านที่มีความสนใจที่ต้องการจะฟังเทศทางธรรมก็สามารถ มาฟังได้ตามวันเวลาดังกล่าวหรือท่านก็สามารถติดตามได้ในทางอินเทอร์เน็ตมีการถ่ายทอดสดทาง a ฟ e b o o k และยูทูบถ้าไม่สะดวกที่จะมาฟังเองที่สถานที่แห่งนี้ก็สามารถฟังได้ทุกแห่งทุกคนที่ท่านสามารถ รับสัญญาณการถ่ายทอดสดได้การฟังเทศฟังธรรมมีคุณมีประโยชน์มากการฟังเทศฟังธรรมที่จะทำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดจำเป็นที่จะต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบกายสงบก็คือ ร่างกายต้องนั่งอยู่เฉยๆไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการกระทำอะไรต่างๆวาจาคือการพูดคุยกันก็ต้อ ง, งระงับไว้ในขณะที่ฟังธรรมไม่พูดคุยกันนั่งนิ่งๆเฉยๆแล้วก็ใจ สงบใจก็คือใจก็ไม่คิดปรุงแต่งถึงเรื่องราวต่างๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตก็ดีเรื่องราวที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตก็ดีไม่ควรปล่อยให้ใจคิดปรุงแต่งให้ใจมีสติอยู่กับการฟังเสียงธรรมที่เข้ามาทางหูถ้าฟังแบบนี้ คือนอกจากใจที่สงบด้วยการฟังธรรมแล้วขณะที่ฟังธรรมก็ไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องใช้คําบาลีคำพุโทโธพุโทโธในขณะที่ฟังหรือไม่ต้องดูลมหายใจเข้าออกให้ใช้เสียงธรรมเป็นอารมณ์แทนเพราะเราต้องการที่จะสัมผัสรับรู้เรื่องราวของธรรมที่เข้ามาสู่ใจของเรา ถ้าเราไปบริกรรมพุโทโธหรือไปดูลมหายใจเข้าออกใจเราก็จะไม่ได้อยู่กับการฟังธรรมอย่างต่อเนื่องฟังไปแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจไม่ได้รับประโยชน์ที่พึงจะได้รับห้าประการด้วยกันจากการฟังเทศฟังธรรมคือประโยชน์ข้อที่หนึ่งก็คือ จะได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองถ้าเคยได้ยินได้ฟังธรรมแล้วพอได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับสจะกำจัดความลังเลสงสัยในธรรมต่างๆได้ 4. ี่ทำให้เกิดมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ คือปัญญาความรู้ความฉลาดในธรรมและห้าจะทำให้จิตใจสงบผ่องใสมีความสุขจากการฟังเทศน์ฟังธรรมบางท่านอยากจะฝึกนั่งสมาธิเป็นเวลานานแต่ก็นั่งได้ไม่นานเพราะว่าใจมักจะไม่มีอะไรมาคอยดึงเอาไว้ ใช้คำาบิกรรมก็ใช้ได้ไม่กี่นาทีก็หยุดไปหายไปดูลมได้ไม่นานก็หยุดดูลมไปแล้วก็แล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ <c oughs> จนทำให้เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาได้นั่งได้ไม่นานก็ทนนั่งต่อไปไม่ได้แต่ถ้าใช้การฟังธรรมนี้ ใจก็นั่งฟังเสียงธรรมไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องใช้คำบริกรรมไม่ต้องใช้การดูลมหายใจใช้เสียงธรรมนี้มันจะง่ายกว่าเพราะว่าไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่ฟังเฉยๆไปเท่านั้นเองก็ทำให้สามารถนั่งได้ตลอดระยะเวลาของการฟังธรรมซึ่งมักก็มักจะเป็นประมาณหนึ่งชั่วโมงได้กัน ท่านที่อยากจะฝึกนั่งสมาธิในตอนต้นเราไม่สามารถนั่งได้โดยลำพังก็ลองใช้การฟังเทศฟังธรรมดูถ้าฟังแล้วใจเราเกาะติดอยู่กับเสียงธรรมถ้าเราพิจารณาตามได้เราก็จะได้ความเห็นชอบได้ปัญญาถ้าเรายังพิจารณาตามไม่ได้ในบางเรื่องแต่เราก็กาติดอยู่กับเสียงธรรม เสียงธรรมนี้ก็จะกล่อมให้ใจเราสงบลงได้ให้มีความสุขในขณะที่ฟังเทศฟังธรรมได้ น, น, นี่ก็คือวิธีการฟังเทศฟังธรรมที่จะทำให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับท่านผู้ฟังทั้งหลายสำหรับธรรมวันนี้ที่เราจะมาฟังกันก็จะเป็นคำถาม พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้พวกเราหมั่นถามตัวเองกันอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรอยู่เรากําลังทําตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่หรือไม่คือเรากําลังละบาปหรือเปล่ากําลัง ทำบุญทำกุศลต่างๆให้ถึงพร้อมหรือเปล่าเรากำลังชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์หรือเปล่าเพราะการกระทาทั้งสามนี้จะทําให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีวันสิ้นสุดได้ นี่คือสิ่งที่เราควรจะถามตัวเองตัวเราอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเราไม่ถามเราจะไม่ไม่รู้ว่าเรากำลังทำหรือเปล่าถ้าเราถามแล้วก็เราก็จะได้ตรวจสอบดูว่าเอ๊ะตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่กำลังรักษาศีลอยู่หรือเปล่ากำลังทำบุญอยู่หรือเปล่ากำลังชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่หรือเปล่า เพราะว่าถ้าเราไม่ได้ทำการกระทำทั้งสามนี้การที่เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั้นย่อมเกิดขึ้นไม่ได้นั่นเอง <c oughs> และการถามตนเองอยู่เรื่อยๆนี้จะได้มีเครื่องเตือนใจให้เรารู้ว่าเวลาของพวกเราที่จะอยู่ในโลกนี้นั้นมันไม่มันไม่แน่นอน มันจะมีน้อยลงไปเรื่อยๆวันเวลาผ่านไปผ่านไปอายุเราก็จะมากขึ้นความแก่ความชราความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายก็จะเข้ามาใกล้ขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้เรากําลังมีกําลังวางชามีเวลาที่จะปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ เราก็ไม่ควรที่จะปล่อยเวลาอันมีค่านี้ให้หลุดลอยไปเพราะว่าตามที่โบราณเขาได้พูดไว้ว่าน้ำขึ้นให้รีบตักเมื่อมีโอกาสให้รีบฉวยโอกาสทำสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจของพวกเราโดยโดยประโยชน์คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้โอกาสแบบนี้นานๆาจะเกิดขึ้นได้สักครั้งหนึ่งต้องถือว่าโอกาสของพวกเราที่เรามีอยู่ตอนนี้เป็นโอกาสทองเพราะว่ามันไม่ได้เป็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เรื่อยๆโอกาสทองนี้คืออะไรคือหนึ่งการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ การได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็ไม่ได้มาเกิดกันง่ายนานๆจะได้มาเกิดกันสักครั้งหนึ่งตายไปแล้วดวงวิญญาณก็อาจจะต้องไปรับผลบุญ ผ, ผ, ผลบาปถ้าบาปเป็นผู้พาไปก็จะต้องไปรับผลบาปในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นนสุรกายบ้างไปตกนรกบ้าง ถ้าเป็นบุญก็อาจจะพาให้เราไปอยู่บนสวรรค์แล้วกว่า จ, จะเราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็อาจจะต้องใช้เวลาอันยาวนานกว่า จ, จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งแล้วการเกิดเป็นมนุษย์ก็อาจจะต้องมาเข้าคิวกันเพราะจำนวนของมนุษย์นี้มีน้อยกว่าจำนวนของสัตว์อย่างอื่นเช่นสัตว์เดรัชาน มีจํานวนมากกว่าโอกาสที่จะได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่มันง่ายกว่าโอกาสที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์นี้เวลามีลูกก็มีเพียงคนสองคนยิ่งสมัยนี้มีการคุมกําเนิดมีการควบคุมไม่ให้มีการเกิดก็อาจจะทําให้ถึงแม้จะ ถึงเวลาที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ก็ไม่มีร่างกายมนุษย์ให้มาเกิดได้ก็อาจจะต้องรอคิวยาวกว่าจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งแล้วเมื่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์คราวต่อไปนี้ก็อาจจะไม่ได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาเหมือนกับภพนบี้ชาตินี้ที่พวกเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาอยู่ในยุคที่มีพระพุทธศาสนา คือมีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ที่จะคอยสอนคอยบอกคอยพาให้เราเออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ข่าวหน้าแล้วไม่ได้มาไม่ได้เจอกับพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่มีใครสอนใครบอกให้เราปฏิบัติณนะบาปทำบุญ ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ถ้าไม่มีใครสอนใครบอกเราก็จะไม่ได้ปฏิบัติจริงเมื่อเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็จะไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ตอนนี้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาและ ได้มีเวลาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติ ธ, ธรรมของพระพุทธเจ้านี่คือโอกาสทองมีองค์ประกอบสำคัญอยู่สามอย่างด้วยกันคือหนึ่งต้องได้มาเกิดเป็นมนุษย์และต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคที่มีพระพุทธ พ, พระพุทธศาสนาคอยสอนคอยบอกทางและต้องมีเวลาให้กับการศึกษาปฏิบัติตามคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเราได้องค์ประกอบของโอกาสทองทั้งสามนี้แล้วการที่เราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ย่อมเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนอ น, นี้พบนี้ชาตินี้เราก็ได้มาเป็นมนุษย์กันเราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พบกับพระพุทธศาสนา เราก็มีเวลามาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันแต่เวลาอาจจะต้องเพิ่มขึ้นไปตามลำดับเพราะว่าการที่เราจะหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เราจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติอย่างเต็มที่ที่เรียกว่าสุ ป, ปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติให้เต็มร้อย ให้เวลากับการปฏิบัติเพียงอย่างเดียวเช่นพวกที่เป็นนักบวชพวกที่ไปบวชกันแล้วไปปฏิบัติกันจนในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดดังที่ปรากฏมีประวัติของครูบาอาจารย์ต่างๆท่านคงเคยได้ยิน ประวัติของหลวงปู่มั่นแล้ว่็ประวัติของหลวงปู่แวนหลวงปู่ขาวเนี่ยบุคคลเหล่า น, นี้ท่านให้เวลากับการศึกษากับการปฏิบัติอย่างเต็มที่ mm hmm. ท่านสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองสละงานการต่างๆเพื่อที่จะได้มีเวลาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติอย่างเต็มที่ เมื่อท่านได้ศึกษาได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ท่านก็ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดบรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้ากันทําไมเราถึงเชื่อว่าท่านเหล่านี้ได้หลุดพ้นได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าหนึ่งตอนสมัยที่ท่านอยู่ท่านก็อยู่ตามความสอน ของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าละการกระทำบาปทั้งปวงสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กาจัดความโลภความโกรธ ค, ความหลงท่านก็บําเพ็ญอยู่ปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนทุกประการและหลังจากที่ท่านได้บรรลุท่านก็นาเอาคาสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้า มาถ่ายทอดมาสอนให้แก่ผู้ที่สนใจต่อไปผู้ที่สนใจหลังจากได้ศึกษาได้ปฏิบัติจากท่านก็สามารถหลุดพ้นจากกองทุกได้เช่นเดียวกันแล้วกระดูกของท่านหลังจากที่ท่านตายไปแล้วก็กลายเป็นพระธาตุขึ้นมาการที่กระดูกของคนที่ตายไปแล้วนี้กลายเป็นพระธาตุขึ้นมานี้ ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าบุคคลนี้เป็นพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งบรรดาครูบาอาจารย์ต่างๆที่เราเคารพนับถือกราบไหว้บูชาอธิของท่านก็กลายเป็นพระธาตุกันทั้งนั้นนี่เป็นเครื่องยืนยันว่าท่านได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดท่านจะไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป ท่านใจไปอยู่กับพระพุทธเจ้าที่พระนิพพานดินแดนแห่งความสุขที่สูงสุดคือปรมังสุขขังนิบานังปรมังสุขขัง mm. นี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้รับถ้าเราช่วยโอกาสทองอันนี้ไม่ปล่อยให้โอกาสทองอันนี้ผ่านไปโดยไม่ได้ประโยชน์อะไร การที่เราจะได้รับประโยชน์นี้เราก็ต้องให้เวลากับการศึกษาให้เวลากับการปฏิบัติเราก็เริ่มต้นจากเวลาที่เรามีอยู่ในปัจจุบันก่อนมีเวลาว่าทาบุญเมื่อไหร่ก็รีบทําบุญเสียรีรักษาศีลได้ก็ควรจะรักษาศีลกันมีเวลาชลาระจิตใจด้วยการบาเพ็ญ จ, จิตตภาวนา คือนั่งสมาธิเดินจงกรมฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญานี่เป็นวิธีการของการชำะระซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็ทำกันไปตามกำลังที่เรามีอยู่ในขณะนี้เป็นจุดเริ่มต้นถ้าเรามีเวลาวันหนึ่งให้กับการนั่งสมาธิสิบห้านาทียี่สิบนาทีสามสิบนาที ก็ควรที่จะทำอย่างสม่าเสมอถ้าเรามีการทำบุญเป็นปกติอาจจะแบ่งเงินรายได้ของเราที่เรามาแบ่งไว้ส่วนหนึ่งไว้ให้กับการทำบุญทาทานเราก็แบ่งเราก็เอาไรายได้ส่วนนั้นไปทำบุญทำทานและเราก็รักษาศีลให้เป็นปกติเริ่มต้นด้วยการรักษาศีลห้ารักษาศีลห้าเพื่อเราจะได้ไม่ ต้องไปรับผลของการกระทำบาปนั่นเองเป็นการปฏิบัติข้อแรกที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติก็คือให้เราละ ก, การกระทำบาปทั้งปวงบาปก็คือการทำผิดศีลนี่เช่นข้อหนึ่งการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตข้อสองการลักทรัพย์ข้อสามการประพฤติผิดประเพณี ข้อสีการพูดปด่นและข้อห้าการดื่มของมึนเมาเช่นสุรายาเมาต่างๆเพราะการดื่มสุรายาเมาจะทําให้ขาดสติจะทําให้ไม่สามารถควบคุมการกระทําของตนได้ไม่สามารถควบคุมความคิดการพูดและการกระทําได้คนที่ดื่มสุราแล้วเกิดอาการมึนเมานี้มักจะ บางครั้งก็จะคิดไปในทางที่ไม่ดีเมื่อคิดไม่ดีแล้วก็จะพูดไม่ดีออกมาพูดวาจาที่อยากคายเป็นต้นพูดแล้วจะทำให้สร้างความลำคาญให้แก่ผู้อื่นหรืออาจจะไปกระทำก็อนใดอันหนึ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลผู้อื่นเช่นอาจจะขับรถ เมาแล้วไปขับรถเกิดทําให้เกิดอุบัติเหตุทําให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สินห ร, รือชีวิตของผู้หรือของตนเองไปการดื่มสุรานี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการกระทําบาปโดยตรงเก็ถือว่าเป็นการเสพอบายมุขดื่ ม, มสุรา<ม>แต่จะดึงให้ไปทําบาปต่อไปนั่นเองพระพุทธเจ้าก็เลยเรื่ม เอาสุลาที่ปัญญาใบ ย, ยมุกนี้เข้ามารวมกันอยู่ในศีลห้าเพราะถ้าเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาแล้วโอกาสที่จะไปฆ่าสัตว์ก็จะง่ายแต่ไปรักทรัพย์ก็จะง่ายขึ้นไปบป็นพืชผิดประเพณีหรือพูดปดมันก็จะง่ายเพราะไม่มีสติขอยับยังคนที่มีสติคนที่ไม่มึนเมากับคนที่มึนเมาถึงแม้จะเป็นคนคนเดียวกันนี่ เวลาไม่เวลาไม่เมานี้ก็จะมีกิริยาการที่ปกติสุภาพเรียบร้อยแต่พอเกิดอาการเปนเมาขึ้นมากิริยาการก็ไม่เป็นปกติไปเป็นคนละคนไปเลยอ น, อ น, นอกจากการไม่ทำบาปแล้วก็ต้องไม่เสพอบายามุกด้วยอบายามุกนอกจากการดื่มชุราแล้วก็ยังมีการเล่นการพนันการเที่ยวเตย ความเกลียดค้านในาการครบคนที่ชอบอบายมุขเป็นมิตรเพราะว่าถ้าเราไปคบคนที่เขาชอบดื่มสุราเขาก็ต้องชวนเราไปดื่มสุราเพราะเป็นกิจกรรมที่เขาทำอยู่เป็นประจำถ้าเขาชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันถ้าเขาชอบเที่ยวเตยไม่ชอบทำงานทำการเขาก็จะชวนเราไปเที่ยว ถ้าเขาชอบความเกียจค้างคือไม่ทำงานเลยเขาก็จะชวนให้เราเกียจค้างตามเขาไปถ้าเราทำอบายามุขอยู่เรื่อยเสพอบายามุขอยู่เรื่อยทรัพย์สินที่เรามีอยู่ก็จะค่อยๆหมดไปเพราะการเสพอบายามุขนี้ไม่มีรายได้เข้ามาเล่นการพนันถึงแม้ว่าจะมีกลไรถึงแม้จะได้บ้างก็ตาม แต่พอได้แล้วก็ก็กิดความโลภอยากจะได้อีกก็ต้องเล่นต่อเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวก็ต้องเสียบ้างพอเสียก็อยากจะได้คืนก็ต้องเล่นไปอีกเล่นไปเล่นมาก็เลยเล่นติดเป็นเป็นนิสัยไปมีแต่จะหาเงินมาเล่นอย่างเดียวเงินทางหมดก็ต้องขายทรัพย์สินที่มีอยู่มีมีทรัพย์ ส, สินอะไรก็ขายไปมีบ้านก็ขายไป มีที่ดินก็ขายไปท่านว่ า, าภัยที่เกิดจากการพนันนี้มันโหดร้ายทารุณยิ่งกว่าภัยที่เกิดจากขโมยขโมยขึ้นบ้านเขาก็เพียงแต่เอาทรัพย์สินไปเท่านั้นเองบ้านยังอยู่ที่ดินยังอยู่ยไฟไหม้บ้านไฟก็ไหม้ทรัพย์สินไหม้บ้านไปแต่ก็ยังมีที่ดินอยู่แต่ถ้า ใัยจกยากกระบายมุกคือการเล่นการพ น, น, นันนี่มันเอาไปหมดเลยเอาทั้งทรัพย์สินเอาทั้งบ้านเอาทั้งที่ดินไปหมดเพราะเมื่อเล่นแล้วมันติดเมันเสียก็อยากจะได้คืนได้ก็ได้ก็อยากจะเล่นเล่นให้ให้อยากจะได้ให้มากขึ้นไปอีกมันก็เลยไม่มีวันเลิกจะเลิกก็ต่อเมื่อไม่มีเงินเล่นแล้ว หรืออาจจะต้องคอยหลบหนีเจ้าหนี้นะเพราะเมื่อไม่มีเงินเล่นก็อาจจะต้องไปไปโกโหกดอกเบี้กู้หนี้ยืมสินจากบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้แล้วถ้าเป็นบุคคลที่เขามีอิทธิพลเขาก็จะตามล่าเราจะทําตามทําร้ายเราเวลาที่เราไม่ใช้หนี้ให้กับเขาบางคนติดหนี้การพนันก็เลยจําเป็นที่จะต้องไปต้น ไปปล้นเงินป้นทองเพื่อเอาเอาเงินมาใช้นี่บางคนไปปล้นธนาคารพอตำรวจจับได้ก็ถามว่าทําไมต้องมาปล้นธนาคารก็บอกว่าติดติดการพนันติดหนี้พนันต้องเอาหนี้ไปใช้เขาไม่งั้นจะถูกเขาทําลายนี่แหละก็คือตัวอย่างของการเสพอบายมุขมันจะทําให้เราสูญเสียทรัพย์สินไป แล้วพอเราทรัพย์สินไม่พอใช้เราไม่ได้ทำงานทำการอย่างปกติเราก็ต้องไปหารายได้โดยวิธีทำบาป uh huh. ไปโกหกหลอกลวงไปยืมเงินยืมทองของผู้อื่นมา uh huh. หรือไม่ถ้ายืมไม่ได้ก็ไปลักขโมยเงินของผู้อื่นมา uh huh. แล้วการลักขโมยบางครั้งบางครั้ ง, า ง, งอาจจะเกิดการต่อสู้กัน uh huh. ก็อาจจะมีการฆ่ากันก็เกิดก็เกิดขึ้นได้ uh huh. คือสรุปก็คือการเสพอบายามุขนี้จะพาให้ไปสู่การกระทำบาปได้ง่ายอบายามุขนี้เป็นแปลว่าการเข้าประตูสู่อบายประตูสู่สู่อบายอบายก็สถานที่สำหรับผู้ที่ทำบาปที่จะต้องไปเกิดไปรับผลบาปของตนก็คืออบายสี่สถาน ได้กันหนึ่งไปเกิดเป็นเดลชานสองเกิดเป็นเปรตสามเกิดเป็นนสุลกายและสี่ไปตกนรกก็อยู่กับบาปที่เราทำไว้ว่าทำบาปด้วยเหตุผลอันใดถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาปก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดลฉ า, านเพราะสัตว์เดลชานนี้เขาก็อยู่ด้วยการกระทำบาปเพราะเขาคิดว่าเขาต้อง ค่าเข้าถึงจะอยู่ได้สัตวใหญ่กินสัตว์น้อยเขาก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นเรื่องที่เพื่อการเลี้ยงชีพเพื่อการอยู่รอดถ้ามนุษย์เราทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใจก็จะเป็นเหมือนใจของสัตว์เดรัจฉานพอน่างกายของมนุษย์ตายไปใจที่เป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะไปรับร่างกายของสัตว์เดรัจฉาน แทนที่จะกลับมารับร่างกายของมนุษย์ใหม่ก็ต้องไปรับร่างกายของสัตว์เดรัจฉานเพื่อใช้บาปที่ได้ทำไว้ให้หมดไปก่อนเมื่อบาปหมดแล้วถึงจะได้กลับมาได้ร่างกายของมนุษย์หน่ส่วนพวกที่ทาบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆอย่างมีมากๆใจก็จะเป็นเปรตมีแต่ความหิวโหยเพราะว่าความโลภนี้ได้เท่าไหร่ไม่อิ่มไม่พอยิ่งโลภยิ่งอยากได้มาก ยิ่งยิ่งโลภมากขึ้นได้ร้อยก็อยากจะได้พันได้พันก็อยากจะได้หมื่นได้แสนอยากขึ้นไปเรื่อยๆดูมหาเศรษฐีเขามีเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านกิน ก, ก็กินไม่หมดใช้ประจนวันตายก็ไม่มีวันหมดแต่ทำไมยังหยุดโลภไม่ได้เพราะนี่ก็คือธรรมชาติของความโลภความโลภมันไม่มีขอบไม่มีฝั่งทะเลกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็ตาม มหาสมุตรทะเลนี้ก็ยังมีขอบมีฝั่งไม่ขยายตัวเหมือนกับความโลภเหมือนกับตัญหาความอยากต่างๆถ้าทำบาปด้วยความโลภมันก็จะทำให้ดวงวิญญาณหิวโหยตายไปนี้เพราะว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่หามาได้ในขณะที่เป็นมนุษย์อยู่นี้จะไม่สามารถเอาติดตัวไปกับตนได้หลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วเราให้มีแสนล้านหมื่นล้านก็ตาม บาทเดียวก็เอาไปไม่ได้ถ้าไม่มไม่ได้ไม่ได้ทาบุญทำทาน<ม>เอาเงินที่มีอยู่นี้ทำบุญทำทานก็จะไม่มีทรัพย์ภายในติดตัวไปที่จะทำให้ไม่ต้องไปเป็นเปรตแต่ถ้าไม่ได้ทำบุญทาทานเลยเพราะมีแต่ความโลภอยากได้เพียงอย่างเดียวเสียดายได้มาแล้วก็เสียดายไม่อยากจะให้ใครอยากจะเก็บไว้เพียงอย่างเดียว พอตายไปก็จะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยเป็นขอทานทางจิตวิญญาณเราเรียกพวกนี้ว่าเป็นพวกเปรตแต่ความโลภตามลําพังนี้ไม่ได้ทําให้ไปเกิดไปเป็นเปรตถ้าเราโลภแล้วเราทำด้วยอาชีพที่สุจริตคือไม่ทำบาปจากการหาเงินหาทองหาข้าวหาของเรานี่ยังไม่เป็นเปรตนะจะเป็นเปรตก็ต่อเมื่อเราไปทํามาหากิน ด้วยวิชาได้อาชีพที่ไม่สุดจริตคือช่อโกงลักทรัพย์คอร์รัปชัน<ม>อะไรทานองนี้ตรงนี้ถึงจะไปเป็นเปรตเวลาที่ร่างกายตายไปแล้ว<ม>ส่วนอีกพวกหนึง่งที่ทำบาปเพราะความกลัวกลัวว่าจะถูกเขามาทำร้ายเราเราก็เลยทำร้ายเขาก่อนเป่นเห็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ที่อันตราย พอเราเห็นเขาเราก็รีบฆ่าเขาเขาก่อนป้องกันไม่ให้เขามาทำร้ายเราถ้าทำบาปด้วยความกลัวนี้ท่านบอกว่าจะไปเป็นดวงเวียนางที่มีแต่ความหวาดกลัวอยู่ไม่เป็นปกติสุขหวาดกลัวกับเรื่องนั้นหวาดกลัวกับเรื่องนี้ตลอดเวลา<ม>แล้วถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรร ม, ม, มล้างแค้นกันอย่างนี้ตายไปก็จะไปตกนรก จะถูกไฟนรกคือไฟแห่งความอาฆาตพยาบาทเผาจิตเผาใจอยู่ตลอดเวลาจนกว่าบาปที่ได้ทำนั้นมันหมดกำลังไปถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พระพุทธเจ้าจึงสอนว่าขั้นต้นของการดับความทุกข์ก็คือเราต้องดับด้วยการไม่ไปเกิดในยบายและการที่เราจะไม่ไปเกิดในยบายได้เราก็ต้องไม่ทาบาปไม่เสกอบายมุขนั่นเอง นี่เป็นข้อที่หนึ่งของการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระเจ้าสอนว่าให้ละการกระทำบาป ท, ทั้งปวง mm hmm. ก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดวและการไม่เสพอบายามุข mm hmm. เช่นดื่มสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวเตร mm hmm. เกียดค้านคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตร mm hmm. ตอนนี้เราก็ ถ้าอยากจะปฏิบัติตามคําสอนข้อนี้เราก็ต้องถามตัวเราเองว่าตอนนี้เราทําบาปอยู่หรือเปล่าถ้าเราทําบาปก็ยังไม่สายเกินไปตอนนี้เรายังกลับลถได้กลับลําได้เคยทําบาปเคยโกหกก็เลิกโกหกเสียเคยชอบโกงนักทรัพย์ก็หยุดเสียเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็หยุดเสียเคยประพฤติประพฤติผิดประเพณีก็หยุดเสียยังไม่สายเกินไปถ้าเรา เชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าและถ้าเราอยากที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์จากการที่จะต้องไปเกิดในอบาย<ม>ก็ขอให้เราเปลี่ยนนิสัยของเรา<ม>อย่าไปคบคนที่ชอบอบายามุขเป็นนิสิตถ้าต้องคบกันก็คบเพื่อทําธุรกิจทําอะไรก็คบกันได้แต่พอถ้าเขาชวนเราไปเสบอบายามุขนี่เราก็ต้องปฏิเสธเขาไปอย่าไปเกงใจคนะ ให้เก่งใจทําคือคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าเราไปเก่งใจคนคําสอนของพพุทธเจ้าก็จะแหลกทำจะแหลกก็คือเราจะไม่ได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราไม่ได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ได้ดังนั้นอย่าไปเก่งใจคนถ้าเขาชวนให้เราไปในทางที่ไม่ดีเราก็ต้องปฏิเสธไป เพื่อรักษาใจของเราไม่ให้ตกตำ่ำไม่ให้ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในอบายนั่นเองเราต้องคอยดูว่าตอนนี้พฤติกรรมของเราเป็นตามที่พระเจ้าทรงสอนหรือไม่ไม่กระทำบาปทั้งปวงอยู่หรือเปล่าถ้ายังทำบาปข้อใดอยู่ก็พยายามเลิกเสียเวลานี้ยังไม่สายเกินไปถ้ายังไม่ตายนี้เรายังสามารถเปลี่ยนนิสัยของเราได้อยู่แต่ถ้าเราตายไปแล้วนี้เราจะไม่สามารถทาอะไรได้ จนกว่าเราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกทีหนึ่งและกว่าจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในคราวหน้าพระพุทธศาสนาที่มีอยู่ในโลกนี้ก็อาจจะหายไปแล้วไม่มีใครรู้จักพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้ไม่มีใครรู้จักคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้เมื่อไม่มีคําสอนเราก็จะไม่มีผู้เราก็จะไม่มีแสงสว่างนําทางให้เราออกจากกองทุกข์ต่างๆได้นั่นเอง เราก็จะอยู่ในยุคมืดยุคที่มีแต่การฆ่าตัดตัดชีวิตมีแต่การทำบาปทำกรรมต่อกันและกันเราสามารถเห็นได้ในประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนาประเทศที่ไม่มีพระพุทธศาสนานี่เขามักจะมีการฆ่าฟันกันมีสงครามมีอะไรกันอยู่เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าการกทำบาปนี้เป็นสิ่งที่ ที่อันตรายสิ่งที่เป็นโทษกับตัวเขาเองแต่ความน่าของโมหะความหลงอำนาจของอวิชชาความไม่รู้ความจริงก็เลยพาให้เขาทาไปตามกิเลสตัณหาความอยากความต้องการของเขาแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องไปรับผลบาปต่อไปหลังจากที่เขาตายไปแล้วนี่คือข้อที่หนึ่งของการปฏิบัติธรรม ที่พรธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาปฏิบัติกันก็คือให้ละการกระทำบาปทั้งปวงให้รักษาศีลให้ได้ศีลห้าและเลิกการเสพอบายมุขต่างๆ <Yeah. S 1> แล้วเราก็จะปิดประตูอบายได้ตายไปเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ต่อได้เลยแทนที่จะต้องไปรับผลบาปในอบายถ้าเราไม่ได้ทำบาปเลย บาปก็จะไม่สามารถดึงใจเราให้ไปเกิดในอบายได้เมื่อไม่มีบาปดึงไปให้ไปเกิดในอบายตายไปแล้วเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อได้ทันทีนี่คือข้อที่หนึ่งผลที่จะเกิดกับจิตใจของเราเราก็จะปิดความทุกข์ในในในส่วนหนึ่งไปได้ทุกที่จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดนะในอบายการเกิดเป็นเดชานนี่มันทุกข์มากกว่าการเกิดเป็นมนุษย์ เพราเดรัจฉานี้เขาต้องฆ่ากันเพื่ออยู่รอดถ้าใครถ้าไม่ระมัดระวังถ้าเผลอเมื่อไหร่ก็อาจจะกลายเป็นอาหารของสัตว์ที่ใหญ่กว่าก็ได้ถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์นี้ความทุกข์มันจะน้อยกว่าความทุกข์ของการเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะมนุษย์นี้มีกฎมีกะตะมีกฎหมายมีกฎกติกาคอยควบคุมบังคับไม่ให้ไปเบียดเบียนกันไม่ให้ไปฆ่าฟันกันนั่นเอง ใครทำผิดกฎหมายก็จะถูกจับเข้าคุกเข้าตารางไปการอยู่แบบมนุษย์จริงค่อนข้างปลอดภัยกว่าการอยู่เป็นสัตว์เดยสารทุกจะน้อยกว่าแต่ก็ยังมีทุกอยู่ทุกที่ยังเกิดจากโกาครคภัยไข้เจ็บของร่างกายกทุกท์ที่เกิดจากความแก่ของร่างกายทุกที่เกิดจากความตายของร่างกายและทุกที่เกิดจากการเลี้ยงดูร่างกายเ่ิมาแล้วก็ต้องดิ้นรน ต่อสู้หาเงินหาทองเพื่อมาเลี้ยงดูร่างกายหาปัจจัยสีหาหาห า, หาเครื่องนุ่งห่มหาที่อยู่อาศัยหายารักษาโรคมาคอยเลี้ยงดูร่างกายก็ยังมีทุกข์อยู่แต่เพียงแต่ว่าทุกข์มันน้อยกว่าถ้าอยากจะให้ทุกข์ของมนุษย์นี้น้อยกว่าน้อยลงไปเราก็ต้องทำอีกข้อหนึ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้ทำก็คือ ให้ทำบุญทำความดีต่างๆพอเวลาเราทำความดีแล้วใจเราจะมีความสุขเวลาใจเรามีความสุขแล้วถึงแม้เราจะต้องเจอกับความทุกข์ต่างๆของการเป็นมนุษย์ความสุขของใจนี้มันจะทำให้ความทุกข์ของการอยู่เป็นมนุษย์นี้มันไม่ไม่รุนแรงไม่มีอิทธิพลที่จะมาสร้างความทุกข์ความเครียดให้กับผู้ที่ ทำความดีทำบุญทำกุศลต่างๆ<ม>บุญกุศลความดีก็หมายถึงทำคุณทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นด้วยการเสียสละแบ่งปันถ้าเรามีข้าวของเงินทองที่มีมากกว่าที่เราจำเป็นจะต้องมีไม่ต้องเก็บเอาไว้เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ตายไปก็เอาอไปไม่ได้เราก็สามารถแบ่งทรัพย์สินส่วนนี้ไปทำบุญทำทานไปทำคุณทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้ เมื่อเราได้ทําคุณทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นแล้วจิตใจเราก็จะมีความสุขถึงแม้ว่าร่างกายของเราจะมีความทุกข์ยากลําบากอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะแก่ชราหรืออาจจะตายนี้คนที่ได้ทําบุญนี้จะมีความทุกข์น้อยกว่าคนที่ไม่ได้ทําบุญแล้วถ้าเกิดยังไม่ได้ไปสูงกว่านี้ยังไม่ได้ออกจากกองทุกข์แห่งการเรียนร้ายตายเกิด เวลาตายไปก็จะได้ไปอยู่ในสวรรค์การไปสวรรค์นี้ก็เป็นเหมือนกับการไปท่องเที่ยวต่างประเทศนี่อตอนนี้พวกเราก็นิยมไปต่างประเทศกันพอมีวันหยุดยาวก็มักจะจองตั๋วจองที่พักไปประเทศนั้นไปประเทศนี้เพราะเวลาเราไปเที่ยวกันนี่มันมีความสุขฉันใดการไปสวรรค์ก็เป็นเหมือนกับการไปเที่ยว คะแนนที่สูงของการทําบุญทํากุศลทําความดีต่างๆถ้าเราไม่มีเงินมีทองที่จะแบ่งปันไม่มีข้าวของเราก็ยังมีร่างกายมีเวลาเราสามารถอุทิศเวลาของร่างกายเรานี้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้เช่นเป็นจิตอาสาไปเป็นอาสาสมัครทาอะไรต่างๆเพื่อสังคมโดยไม่ได้คิศไม่ได้รับค่าตอบแทนแต่อย่างใด อันนี้ก็เป็นการทำบุญทำกุศลได้เช่นเดียวกันหรือถ้าเรามีความรู้วิชาความรู้ที่เราสามารถสอนให้ผู้อื่นเขาเอาไปใช้เป็นประโยชน์ได้โดยที่ไม่ไม่คิดบุนค่าไม่คิดค่าสอนในหน้า จ, จะไปเป็นติวเตอร์สอนเด็กถ้าเรามีความรู้ทางวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือภาษาอังกฤษเี่ยเด็กๆที่ต้องการจะเรียนเพิ่มแต่ไม่มีทรัพย์ที่จะเรียนเราก็สามารถ ให้ความรู้แบบกับเขาได้โดยที่เราไม่ต้องคิดเงินคิดทองกับเขาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญทำทานเหมือนกันเป็นวิทยาทานให้ให้วิชาความรู้ถ้าให้ข้าวของเงินทองนี่เรียกว่าให้วัตถุทานให้วัตถุเป็นเรียกว่าวัตถุทานนอกจากนั้นเรายังสามารถให้ธรรมะแก่ผู้อื่นก็ได้ เช่นเรามาฟังเทศฟังธรรมเราได้อ่านหนังสือธรรมะและเห็นว่าหนังสือธรรมะนี้มีคุณประโยชน์แก่จิตใจอ่านแล้วช่วยบรรเทาความทุกข์ได้ในระดับหนึ่งก็อาจจะอยากจะเผยแผ่ความรู้นี้ให้แก่ผู้อื่นก็จะพิมพ์หนังสือแจกกันช่วยกันพิมพ์หนังสือธรรมะแจกกันการแจกหนังสือธรรมะนี้ท่านก็เรียกว่าเป็นการให้ธรมธรมธรรมทานซึ่งการให้ธรรมทานนี้ท่านบอกว่าเป็น ชนะการให้ทั้งปวงเพราะว่าเป็นประโยชน์มากที่สุดธรรมะนี้มีคุณประโยชน์มากกว่าทรัพสมบัติเข้าของเงินทองวิชาความรู้ทางโลกเพราะทรัพสมบัติเข้าของเงินทองวิชาความรู้ทางโลกนี้ไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจได้ช่วยดับความทุกข์ทางกายได้ช่วยช่วยช่วยช่ว ย, วยทให้ไม่อดอยากขาดแคลนได้ไม่ตระคะษขั ด, ขดสนเพราะเมื่อมีวิชาความรู้ก็สามารถที่จะไปทามาหากิน มีรายได้ได้หรือถ้าไม่มีความไม่รู้มีแต่มีทรัพสมมีข้าวของเงินทองที่ผู้อื่นบริจาคให้มาก็ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากลาบากของร่างกายได้แต่ไม่สามารถที่จะไปบรรเทาความทุกข์ทางใจได้แต่ธรรมะนี่เป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะสามารถบรรเทาความทุกข์ทางใจหรือดับความทุกข์ทางใจได้<ม>นี่ก็คือวิธีการทําคุณทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น วิธีสร้างบุญสร้างกุศลเพราะเมื่อทำสิ่งเหล่านี้แล้วสิ่งที่ผลที่จะปรากฏขึ้นมาในใจก็คือใจจะมีความสุขมากใจจะไม่หิวโหยจะไม่ไม่วุ่นวายกกับความทุกข์ยากลำบากของการอยู่<ม>ชีวิตของเราทุกคนมันก็มักจะมีปัญหามีอุปสรรคมีความยากลำบากแต่ถ้าเราได้ทำบุญได้ทาความดีแล้ว ความสุขใจที่เราได้จากการทำความดีนี้มันจะทำให้เรามีกําลังใจที่จะเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากต่างๆได้อย่างสบายถ้ mm hmm. ะเป็นการยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้น mm hmm. จากมนุษย์เราก็จะได้ไปเป็นเทพเพราะการที่เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้นี้ mm hmm. เราจะต้องยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปตามลำดับ mm hmm. mm hmm. ขั้นแรกก็คือยกระดับจากมนุษย์ให้ไปเป็นเทพแล้วถ้าเราอยากจะไปสูงกว่าเทพคือไปสู่สวรรค์ชั้นพรมเราก็ต้องทำข้อที่สามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรากระทำกันก็คือให้เราชำระจิตใจให้สะอาดโดยสุดโดยการบำเพ็ญจิตตภาวนาจิตตภาวนานี้ก็คือการซักพอกจิตใจเพื่อให้จิตใจสะอาดขึ้นมีมีความทุกข์น้อยลงมีความสุขมากขึ้น จิตตภาวนานี้ก็แบ่งไว้เป็นสองระดับสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถะภาวนานี้ก็เป็นการซักพอกจิตใจแบบชั่วคราวให้จิตสะอาดได้ชั่วคราวแต่ไม่ได้อย่างถาวรผลหลังจากที่เราได้ซักพอกจิตใจด้วยด้วยการบําเพ็ญสมถะภาวนาคือทําใจให้สงบได้แล้วได้ความสะอาดชั่วคราวแล้วเราก็สามารถที่จะ ขึ้นสู่ระดับที่สูงต่อไปคือวิปัสสนาภาวนาเพื่อทำให้ความสะอาดของใจนี้เป็นความสะอาดที่ถาวรด้วยการบาเพ็ญจิตตภาวนาคือการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ทำข้อที่สามที่พรเจ้าทรงสอนให้พวกเรากระทากันหลังจากที่เราละการกระทำบาปได้แล้วเราสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายได้ถึงพร้อมแล้ว ขั้นต่อมาเราก็จะต้องไปบปําเพ็ญจิตตภาวนาการบําเพ็ญจิตตภาวนานี้เราก็จําเป็นที่จะต้องถือศีลของนักบวชคืออย่างน้อยต้องถือศีลแปดเพราะว่าการจะไปบปําเพ็ญจิตตภาวนานี้เราต้องละการเจเกามกรารมคุณห้าคือไม่หาความสุขจากการเจเรูปเสียงกลิ่นลดผลชพะในรูปแบบต่างๆเช่นไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนกับสามีภรรยา สินข้อห้านี่ยังอนุญาตให้ร่วมหลับนอนกันได้แต่ถ้าต้องการที่จะยกระดับจิตใจให้สูงจากเทพให้ขึ้นไปเป็นพรหมนี่พรหมนี้เขาไม่เสกก ร, รมนะพรหมนี้เขาเสกความสงบความสงบที่ได้จากการเจริญสตินั่งสมาธิการที่เราจะมีเวลาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิได้เราก็ต้องมีเราก็ต้องไม่ทํากิจกรรมอย่างอื่น ถ้าเราไปทำกิจกรรมอย่างอื่นเช่นไปร่วมเพศไปหลับนอนกับแฟนสามีภรรยาเวลามันก็จะหมดไปไม่มีเวลาให้กับการมาเจริญสตินั่งสมาธิเห็นถ้าอยากเราอยากที่จะยกระดับจิตให้สูงขึ้นเพิ่มระดับความสุขให้มากขึ้นลดระดับความทุกข์ให้น้อยลงเราก็ต้องถือศีลแปดเป็นข้อที่หนึ่งคือต้องรักษาศีลแปดไม่กินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วไม่ ดูหนังฟังเพลงไม่เสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าพรที่วิจิตพิศดานหรือด้วยเครื่องสมางต่างๆน้ํามันน้ําหอมต่างๆแล้วเราก็จะไม่นอนมากเกินไปนอนคือละสีห้าชั่วโมงก็พอวิธีจะทําให้เราไม่นอนมากก็คือเราต้องนอนบนที่นอนที่ไม่สบายถ้าเรานอนบนฟูกหนาๆนะมันสบายมันจะทําให้เรานอนมากเกินไปร่างกายได้พักผ่อนพอแล้ว พอตื่นขึ้นมาใจก็ไม่อยากจะลุกเพราะได้นอนบนที่บนฟูก้หนาะฟูกที่มันสุกมันสบายก็เลยขอนอนต่อก็เวลาก็จะสูญไปกับการหลับนอนที่ไม่จําเป็นวิธีที่จะทําให้เราไม่นอนมากก็คือต้องนอนบนพื้นแข็งๆไม่มีไม่มีฟูกไม่มีเบาให้ปูกับผ้ากับปูด้วยผ้าหรือปูด้วยเสือ่อก็พอ พอร่างกายเวลามันง่วงมากๆนี่มันก็จะสามารถหลับได้ไม่ว่าจะนอนบนพื้นพื้นแข็งหรือพื้นนุ่มมันจะไม่มีความรู้สึกต่างกันแต่ถ้าต่างกันนะตอนที่ตื่นขึ้นมาพอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมามันก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะรู้สึกว่ามันไม่สบายแต่ถ้านอนบนฟูกหนาๆ น, น, นี่มันยังมีความอยากจะนอนต่อ อันนี้คือวิธีป้องกันไม่ให้เราเอาเวลาไปใช้กับการเสพกา ร, รเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดเถพระชนิดต่างๆถ้าเราอยากที่จะชำระจิตใจของเราด้วยการเจริญสัมมัทิาวนณาทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ชั่วคราวเราก็ต้องถือศีลแปดนอกจากถือศีลแปแล้วเราก็ต้องไปหาสถานที่ที่สงบสงดวิเวกเพื่อเราจะได้เจริญสตินั่งสมาธิได้ เพราะถ้าเราไปอยู่ที่มีเสียงอึกกระทึกครึกโครมมีกิจกรรมมีการกระทําอะไรต่างๆรอบตัวเราเหตุการณ์ต่างๆรอบตัวเรามันจะมารบกวนการทําสมาธิรบกวนการเจริญสตินั่นเองผู้ปฏิบัติทำจึงมักจะต้องไปปีกวิเว่กันไปอยู่ตามสถานที่ปฏิบัติตามทำที่ส่วนส่วนใหญ่ก็มักจะไปอยู่ตามป่าตามเขากันเพราะเป็นสถานที่ เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมนั่นเองไม่มีอะไรมาลบกวนใจต้องไปปีกวิเวกถ้ต้องถ้าเป็นไปได้ก็ไปปีกวิเวกที่เราสามารถอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องทุกข์ทีกับใครสามารถปฏิบัติของเราได้อาจจะมารวมกันเฉพาะเวลาที่ต้องทำกิจร่วมกันเช่นเวลารับประทานอาหารหรือเวลามาฟังเทศฟังธรรมกันแต่นอกจากนั้นแล้วเราก็ขอให้มีเวลาส่วนตัว ให้ได้อยู่ตามน้ำพังเพื่อเราจะได้เจรงสตินั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องได้เพราะการที่เราจะทําให้จิตสงบด้านี้เราต้องควบคุมความคิดให้ได้ถ้าเราอยู่คุกคีกับคนนั้นคนนี้มันก็จะทําให้เราอดที่จะพูดคุยกันไม่ได้พอพูดคุยกันก็ต้องใช้ความคิดความคิดมันก็จะไม่หยุดคิดพอเราจะไปนั่งสมาธิมันก็นั่งไม่ได้เพราะความคิดมันยังไม่ ย, มยอมหยุด เังนั้นก่อที่เราจะนั่งสมาธิให้เกิดผลขึ้นมาได้นี่เราต้องควบคุมความคิดให้ได้ก่อนถึงแม้จะไม่ได้หยุดมันเต็มที่ก็ตามอย่างน้อยก็ต้องลดมันลงให้น้อยลงที่สุดเท่าที่จะลดน้อยได้วิธีเยื่อลดความคิดให้น้อยลงในการเวลาที่เราปฏิบัติทำก็คือเราต้องหมั่นเจริญสติทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่งานงานแรกที่เราต้องทําในการ เจริญสมถะภาวนาในการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็คือการเจริญสติอย่างต่อเนื่องให้เป็นสติสัมปชัญญะขึ้นมาคือไม่ขาดตอนไม่เผลอให้มีสติคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้วิธีเจริญสติก็ต้องใช้กรรมฐานเป็นอารมณ์กรรมฐานนี่ก็มีหลายชนิดด้วยกันแต่ที่เราได้ยินได้ฟังได้ใช้กันส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำบริกรรมพุโทโธพุโทโธ เราใช้คําบริกรรมพุโทโธตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาแล้วก็เริ่มบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปภายในใจไม่ว่าเราจะไปทําอะไรเราก็พุโทโธไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันเราก็พุโทโธไปรับประทานอาหารก็พุโทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวทําความสะอาดสถานที่เรืออะไรแล้วก็พุโทโธไป จนกว่าเราไม่มีอะไรต้องทําแล้วเราก็มาเดินจงกรมพุทโธต่อหรือนั่งสมาธิต่อถ้าเรามีการควบคุมความคิดอยู่เรื่อยๆด้วยพุทโธแล้วแต่นั่งสมาธิจิตก็จะนิ่งจิตก็จะสงบได้ง่ายแต่ถ้าเราไม่ควบคุมความคิดเลยปล่อยให้คิดตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้พอเวลามานั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้เพราะใจไม่ยอมหยุดคิดใจไม่ยอมอยู่กับพุทโธไม่ยอมอยู่กับ การดูลมหายใจเข้าออกจะไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ต่อเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะนั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบให้นิ่งได้เบื้องต้นเราต้องหมั่นควบคุมความคิดตั้งแต่เรายังไม่ตั้งแต่เรายังไม่นั่งตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลยถ้าเราไปอยู่ที่ปฏิบัติธรรมอยู่คนเดียวเราก็จะสามารถทำํำเจริญสติได้อย่างง่ายดายเพราะเราไม่ต้องไปเจอใครไม่ต้องทําอะไรนอกจากงานที่ ที่ไม่ต้องใช้ความคิดมากเช่นงานที่เลี้ยงงานที่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูร่างกายของเราเท่านั้นเองเราสามารถทำงานนี้ควบคู่ไปกับการเจริญสติได้อาบน้ำเราก็พุโทโธได้ล้างหน้าแปรงฟันเราก็พุโทโธได้แต่งเนื้อแต่งตัวเราก็พุทโทได้ถ้าเราทำอย่างนี้แล้วความคิดต่างๆมันจะโผล่ขึ้นมาไม่ได้เพราะเราเอาพุทโทมากันเอาไว้นั่นเอง พราะจิตจะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้พร้อมๆกับพุโทโธนี้ทําไม่ได้มันต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือถ้ามันไม่เลือกมันก็อาจจะแทรกกันเข้ามาสลับกันพุโทโธได้วยคำความคิดเยงอ น, นก็แทรกเข้ามาพอเราเผลอหยุดพุดโทโธความคิดก็เข้ามาใหญ่พอเราได้สติก็ดึงกลับมาพุโทโธความคิดก็หายไปเบื้องต้นมันก็จะเป็นการต่อสู้กันระหว่างการเจริญสติกับการเผลอสตนะิเพราะว่าเรายังไม่เคยฝึกสติมาก่อนม เรามักจะชอบปล่อยให้ใจคิดเรื่อยเปื่อยพอเราจะดึงให้มาอยู่กับพุโทโธก็ จ, จะดึงได้เพียงแค่สองสามวินาทีปั๊บเดียวเดี๋ยว ม, มันเดี๋ยวมันก็หายไปละพุโทโธก็หายไปแล้วมันก็กลับไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่แต่ถ้าเราพยายามพุโทโธอยู่เรื่อยๆบ่อยๆต่อไปพุโทโธก็จะยาวขึ้นนานขึ้นความคิดก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆ น, น, นี่เป็นสิ่งที่เราต้องทําถ้าเราอยากจะ ยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงจากเทพเราก็ต้องมาเป็นพรหมโดยการฝึกสตินั่งสมาธิโดยกว่าเวลานั่งสมาธิจิตรวมเป็นสมาธิได้เข้าฌานเข้าฌานได้ตอนนั้นละ่ะเราก็จะได้ผลจากการนั่งสมาธิเวลาจิตสงบเวลาจิตอยู่ในฌานนี้จิตจะมีความสุขมากเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีสุขที่เราได้รับจากรูปเสียงกลิ่นรสผุดเถระสุขที่เราได้รับจากบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้จากข้าวของเงินทองจากยศถาบรรดาศักดิ์จากลา ง, งวีรางวัลต่างๆนี่มันสู้กับความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้อันนี้แหละเป็นเป็นผลขั้นแรกของการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะเวลาจิตใจสงบนี้ สิ่งที่เป็นสิ่งที่สโปรกสิ่งที่ทําให้จิตใจเศร้าหมองก็สงบตัวลงไปด้วยก็คือก ah ิเลสตัณหาโมหะอวิชชาก็ถือว่าเราได้ทํทาชำระจิตใจให้สะอาดโดยสุดได้ขั้นที่หนึ่งแล้วดูทําได้ชั่วชื่วข่าวเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะอยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลาพออยู่ในสมาธิได้ระยะหนึ่งกําลังของสติก็อ่อนลงพออ่อนลงจิตก็จะถอนออกมามาเริ่มคิด เรื่องคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้หรือออกมาทำทำภารกิจต่างๆจะอาจจะต้องเข้าห้องน้ําอาจจะต้องดื่มน้ําหรือทำทำกิจอย่างอื่นพอออกจากสมาธิมาความคิดก็จะเริ่มคิดทันทีถ้าเราไม่ใช้สติคอยควบคุมไว้ถึงแม้จะใช้สติมันก็มีเวลาเผลอที่จะปล่อยให้ความคิดคิดขึ้นมาพอคิดมากๆมันก็จะคิดไปทางกิเลสตัณหาได้คิดไปทางความโลภความอยากต่างๆได้เห็นอะไรก็อยากได้ขึ้นมา เห็นอะไรก็ไม่พอใจโกรธขึ้นมาได้ตอนนั้นความสงบของใจก็จะหายไปจิตใจก็จะเริ่มเศร้าหมองขึ้นมาใหม่ถ้าเราอยากที่จะทําให้กิเลสตัณหานี้ไม่ทํางานเลยหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วเราก็ต้องปฏิบัติขั้นต่อไปคือขั้นวิปัสสนาคือขั้นปัญญาคือเราต้องสอนใจให้เห็นว่าสิ่งที่กิเลสตัณหาความโลภความอยากต้องการนี้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุข ฉันอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลตระเพงก็ต้องสอนว่ามันเป็นความสุขชื่วข่าวรูปเสียงกลิ่นรสมันมีทั้งสุขและมีทั้งทุกข์มันสลับกันไปสลับกันมาเราจะไปควบคุมบังคับให้มันมีแต่สุขอย่างเดียวไม่ได้พอเราไปเสมีมันบางทีเราก็ไปเจอกับรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นทุกข์ขึ้นมามให้เรามองให้เห็นว่าการไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสนี้แทนที่จะได้ความสุขไม่ช้าก็เร็วก็ต้องไปเจอกับความทุกข์ ถ้าไม่อยากจะเจอความความทุกข์ก็หยุดความอยากนิเสีธถ้าเรามีสติมีสมาธิเราก็จะหยุดความอยากที่จะไปเสพความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสได้หรือความสุขในรูปแบบอื่นๆความสุขที่จากการมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพื่อที่จะได้เอาเงินทองไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของหรูหราต่างๆไปกินไปอยู่แบบหรูหราอย่างนี้มันก็เป็นความสุขแบบชั่วคราว ถ้าเงินไม่มีเมื่อไหร่ความสุขนั้นก็จะหมดไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ต่อไปเพราะเงินทองก็ไม่ใช่เป็นของที่แน่นอนได้มาแล้ววันหนึ่งมันก็อาจจะหมดได้พอหมดแล้วมันก็ความสุขที่ได้จากการมีเงินมีทางก็จะหายไปมองให้เห็นว่าทุกอย่างที่เราอยากจะได้มันเป็นของไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนมันเป็นของชั่วคราวมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไม่ช้าก็เร็วเวลาดับมันก็จะทําให้ใจเราทุกข์ขึ้นมา สลบก็คือตราต้องสอนใจให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์เพราะมันไม่แน่นอนมันเป็นของชั่วคราวเราควบคุมบังคับไม่ได้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ความอยากต่างๆที่เรามีอยู่ในใจก็จะหายไปหมดกิเลสตัณหาตัวที่ทําให้จิตใจเราไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ ตัวที่ทําให้จิตใจเราต้องทุกข์ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้มันก็จะหายไปหมดถ้าเราเห็นด้วยปัญญาเห็นตายรักในทุกสิ่งทุกอย่างที่กิเลสจันหายากได้อยากมีพอเราเห็นตายรักตลอดเวลาความอยากต่างๆที่เคยมีอยู่ความที่ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆก็จะหายไปหมดใจเราก็จะหมดทุกข์ทันทีแล้วการเวียนว่ายตายเกิดก็สิ้นสุดลงทันทีเพราะ เหตุที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดก็คือความอยากนี่เองอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัพฑ์ก็ต้องมีตาหูจมูกนิ้นกายก็ต้องมีร่างกายแต่พอเราหยุดความอยากเหล่านี้ได้ก็เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากนั้นมันเป็นทุกข์ต่อไปเราก็ไม่มีความอยากที่จะเสีอะไรอีกต่อไปเอาไม่มีความอยากจะเสีอะไรก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีร่างกายอีกต่อไปก็ไม่ต้องมาเกิดอีกต่อไป เมื่อไม่เกิดก็จะไม่มีความแก่ความเจ็บความตายตามมาความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายก็จะไม่มีอีกต่อไปทุกเย่ยมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านัน้นนี่คือวิธีการดับทุกข์ของพระพุทธเจ้าของพระหลานตัสาวกที่ท่านได้กระทําได้สําเร็จแล้วแล้วท่านก็นํำมาม า, มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราต่อไปถ้าพวกเราอยากจะได้ สิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับเราก็ต้องปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอนั้นเองก็คือละการกระทําบาปทั้งปวงสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการคอยคอยเตือนตนเองถามตนเองอยู่เรื่อยๆว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปเรากําลังทําอะไรอยู่เรากําลังละบาปอยู่หรือเปล่าเรากําลัง ทำบุญทำกุศลอยู่หรือเปล่าเรากำลังเชะทำรากจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่หรือปเปล่ลใใ า, ารรมเมื่อมีการถามเราก็จะได้รู้ตัวว่าตอนนี้เราควรจะเราเรากำลังทำอะไรอยู่ถ้าไม่ได้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ควรจะหยุดแล้ว เ, เปลี่ยนมาทาตามคำสอนของพระพุทธเจ้า<ม><ม>พอเราได้ทำตามคำสอนแล้วเราก็จะได้รับผลอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกได้รับกันก็คือได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง สุดทนจา ก, การเวียนว่ายตายเกิดนี่คือเรื่องธรรมะที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผ่อนอยะถ า, าวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวามวะอิโตจินงังเปตานาังปกปติอิชิตังปฏทิตังตุมหังคิดปะเมวะสมมิจโต สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาวัโยยถามณิจุติอรสโยยถาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพโรโควินัสตุมัเตภวัตวันตลาโยสุขีติขายุโกภวา อาพิวาทานสีลิสานิจังวุธาปจายโนจตารธรรมาวะทานติอายุวันโนสุขังฮาลาัช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียว เพราะจะเป็นช่วงที่สะดวกที่สุดถ้าเลิกแล้วมันจะไม่สะดวกเพราะจะมีการเคลื่อนไหวแล้วก็จะพูดไม่ก็ได้ยินฉงนั้นถ้าอยากจะถามอะไรขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ เรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมานาคุตจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติสามร้อยหกท่าน YouTube พระอาจารย์สุชาติสามร้อยสี่สิบหนึ่งดรวหกสิบห้าวิทยุออนไลน์สิบห้าครับเฮา์สี่นาคุตหนึ่งร้อยเก้าสิบห้ารวมทั้งหมดเก้าร้อยี่สิบหกท่านค่ะ คุณ ด, ดังๆหน่อยนะขออนมทนการสอบถามพระอาจารย์นิดนึงค่ะอย่างสมมติเราปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะในยังอยู่ในวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยเรายังมีเหมือนกรอบใช่ไหมคะว่าเราต้องอยู่กับตัวเองอ่าค่ะแต่เมื่อเรากลับไปถึงที่ที่ใช้ชีวิตเป็นคารวาสปกติเงี้ยค่ะไปทํางานเงี้ยค่ะเราจะจะจ ะ, จะบริบทยังไงอะคะจะมีเราต้องสร้างกรอบขึ้นมาเองค่ะต้องบังคับตัวเราเองว่าเราจะต้องทําอะไรบ้าง ตามตามสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ทำได้มากได้น้อยก็ต้องทำไปดีกว่าไม่มีกรอบเลยดีกว่าปล่อยให้ทาไปตามอารมณ์เป็นต้องมีกำหนดเวลาว่าเวลานี้ควรจะนั่งสมาธิเวลานี้ควรจะาทาจิตใจให้สงบฟังเทศ้องทําเหรืออะไรก็ต้องมีกรอบเราก็ต้องคอยสร้างกรอบไว้แต่มันก็สู้กับเวลาที่เราไปสถานที่ปฏิบัติทำไม่ได้ มันก็เหมือนกับเวลารักษาตัวที่บ้านกับรักษาตัวที่โรงพยาบาลมันเครื่องไม้เครื่องมือที่โรงพยาบาลเขาพร้อมกว่าเขามีไว้สนหรับรักษาพยาบาลเพียอย่างเดียวแต่อยู่ที่บ้านนี้มันมีกิจกรรมอยงอื่นที่ทำด้วยกับคนอื่นมันก็เลยลาบากก็ทำเท่าที่เราทำได้ก็แล้วกันอย่างน้อยก็พยายามฝึกตสติเพราะสติเป็นเรื่องที่อยู่ใน ใ, นใจเราเรพยายามนึกถึงพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อย มันก็ยากเพราะเดี๋ยวคนนั้นมาคุยคนนี้มาพูดมันก็ต้องคิดพอคิดมันก็ลืมพุโทโธไปเลย<ม>แต่ถ้าเรามีความมุ่งมั่นจริงๆก็ต้องคอยพอว่างพูดเมื่อไหร่ก็พุโทโธต่ออย่าปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องนั้นเรื<ม>่องนี้แล้วพอมีเวลาว่างนั่งสมาธิได้ก็นั่งสมาธิไปว่าทาเท่าที่ทําได้จะได้ได้น้อยมากถ้าอยากจะได้มากก็ต้องไปอยู่ตามสถานที่ปฏิบัติธรรมวันไหนวันหยุดก็ไปอยู่ที่นั่นอย่าไปเที่ยว ต้องเสียสลับความสุขทางโลกไปถ้าเราต้องการความสุขทางธรรมต้องเปลี่ยนสถานที่แทนที่จะไปช้อปปิ้งไปดูหนังฟังเพลงไปกินไปดืม่มเราก็ไปวัดกันไปสถานที่ปฏิบัติธรรมมีคำถามท่านหนึ่งไม่ถามเองน ะ, ะถามเองก็ได้จะได้ไม่ต้องงานเสียเวลนาะ กรรมนรมาสการอาจารย์ครับลูกทำํำบริกรรมด้บริกรรมวัพุทธโธมาสักระยะหนึ่งแต่ว่าการบริกรรมของลูกเนี่ยไม่ก้าวหน้าไปเกิดจิตฟุ้งซ่าน ร, ระหว่างที่บริกรรมเนี่ยลูกควรจะปฏิบัติอย่างไรครับแล้วก็การ เ, เหมือนกับว่าเราจําเป็นที่จะต้องทราบจริตของเราหรือไม่ครับแล้วก็ควรจะทํา การบริกรรมตามแก่ตามแต่จริตของตนจะช่วยให้พัฒนาได้ดีขึ้นหรือไม่ครับคือความสําคัญมันอยู่ที่การมีสติหรือไม่มีสติเป็นดับอนั้นจริตนี้เป็นรองลงมาเรื่องหลักที่เราต้องมีก็คือสตินี่การจะใช้เจริญสตินี่ก็ต้องทำให้มากขึ้นไม่ใช่มาทำแต่เฉพาะเวลาที่เรานั่งสมาธิตอต้องพยายามทำทั้งวันเลย พอตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมากาพ็พุโทโธพุทโธไปคอยควบคุมใจคอยดึงใจเอาไว้แล้วเวลามานั่งสมาธิพุโทโธมันก็จะไม่หายไปความคิดก็จะน้อยลงไปได้แต่ถ้าเรามาเริ่มพุโทโธตอนที่เรานั่งนี่ความคิดมันเต็มในใจแนละ้วมันมันก็เราเขียนของไวบ้บนกระดานดำเต็มไปหมดเราเอาพุโทโธมาก็ลบได้ทีนิดๆหน่อยๆความคิดของเก่าอะไยังค้างค้า ง, างอยู่ในใจนั้นต้องพยายามลบใจของเราให้ว่างตั้งแต่ก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิ คอยพูดโธ่อยู่เรื่อยอันนี้เรื่องของสติถ้าเรามีสติแล้วนั่งจะจิตอะไรก็สามารถทําจิตให้สงบได้ได้วยพูดโธแต่ถ้ามันมีปัญหาที่เราเป็นคนเช่นเราชอบเป็นคนชอบกามชอบกา ร, รมราคะชอบเสพกามชอบร่วมเพศอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องใช้เวลาที่เกิดความคิดอยากจะร่วมเพศแล้วไม่สามารถที่จะพูดโธได้ไม่สามารถนั่งสมาธิได้ก็ให้เราพิจารณาอสุภะ ให้เนาเลือกถึงอาการ32ของร่างกายเช่นท่องชื่อไปก่อนก็ได้ผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแล้วก็นึกถึงภาพเหล่านี้ขึ้นมาถ้าจิตอยู่กับสุภาษักภาคหนึ่งกามราคะมันก็จะหยุดไปได้พอจิตกลับมาเป็นปกติเราก็กลับมาใช้พุโทโธรุ่นมาดูลมหายใจต่อได้อันนี้จริตมันมันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาเวลามันเกิดขึ้นแล้วเราถึงค่อยเอากมามฐานอันนั้นมาใช้ในเวลาเราโกรธใครเ น, นี้ย ไม่ได้โกรธทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมพอเราโกรธปั๊บนี้นั่งสมาธิไม่ได้แล้วพูดโธไม่ออกเราก็ต้องใช้ความเมตตาแผ่เมตตาให้อภัยเขาอราคิดว่าเป็นการใช้หนี้เก่าก็แล้วกันชาตก่อนแล้วกอออ็อาจจะเคยไปทําร้ายเข้ามาก่อนครั้นี้เขาก็เลยมาจองเวรจองกรรมเราก็ให้อภัยกัน ไ, ไ ป, ไ, ปไม่ไม่จองเวรกันเพราะถ้าเราไปโต้อตอบกลับไปมันก็จะไม่มีวันจบเวรย่อมไม่ระ ง, งับด้วยการจองเวร เป็นละ ง, งับด้วยการไม่จองเวรให้อภัยพอเราให้อภัยเขาได้ความโกรธก็หายไปใจก็กลับมาเป็นปกติเราก็นั่งสมาธิต่อได้อันนี้เป็นเรื่องของจริตบางคนขี้โกรธก็ต้องใช้ความเมตตาบางคนขี้รักชอบคนนู้นชอบคนนี้ก็ต้องใช้อสุภะมาแก่เป็นต้นพอจะเข้าใจนะครับแต่ต้องมีสติถ้าไม่มีสติก็ใช้มันไม่ได้ ใจมันจะไปคิดแต่เรื่องที่เราชอบมันจะให้หนึงมาดูในของที่ไม่ชอบมันก็ไม่ยอมมาอย่างนี้ดังก็ต้ตอนนั้นก็ต้องยอมแพ้ไปก่อน <c oughs> แต่พอมันไม่มารบกวนใจเราก็พยายามฝึกสติให้มากๆ <c oughs> แล้วก็พิจารณาสุภาบ่อยๆต่อไปเวลามันมาเราก็จะได้ใช้สติกับสุภาช่วยดับความกามอารมณ์ได้ส <c oughs> าธุสถูกครับ ถามจากผู้รับฟังหน้ากุดค่ะลูกอยากบอกลูกอยากขอกลับเรียนถามพระอาจารย์ว่าพระโสดาบันจะไม่เชื่อเรื่องการดูหมอโหราศาสตร์ใดๆลูกเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่คะพระโสดาบันเห็นว่าการเชื่อเรื่องราวต่างๆอันนี้มันไม่มีผลแต่อย่างใดมันเป็นเรื่องของความเชื่อไม่ใช่เป็นความจริงสิ่งที่เป็นความจริงก็คือกฎแห่งกรรมอันนี้เป็นของจริงทําบาปแล้วใจจะทุกข์ขึ้นมาทันที ทำบุญแล้วใจจะมีความสุขทันทีในเวลาพระโสดาบันท่านมีความทุกข์ท่านก็ดับท่านก็หยุดการกระทาบาปท่านอย่างจะมีความสุขท่านก็ไปทําบุญท่านจะเชื่อกฎแห่งกรรมคําถามจากคุณสาธิตค่ะถ้าเราจะนั่งภาวนาในชีวิตประจําวันควรเริ่มต้นกี่นาทีครับพระอาจารย์ได้มากที่สุดนะได้กี่นาทีก็ได้เท่านั้นแนหะ แล้วแต่กำลังของเราอย่าไปกําหนดที่เวลาให้กําหนดที่สติเพราะถ้าเรามีสติเราก็จะนั่งได้นานถ้าเราไม่มีสตินั่งได้สองวินาทีก็อยากจะเลิกละเพราะใจมันคิดอยากจะไปเที่ยวไปกินไปเดินไปดูไปฟังอะไรนี่เราต้องฝึกสติให้มากมากก่อนที่เราจะมานั่งเราสามารถฝึกสติในชีวิตประจําวันได้ไม่ว่าเราจะทําอะไรแเรวก็สามารถจเจริญสติได้เห็นให้ลึกถึงพุโทโธพุโทโธไปภายในใจไปเรื่อยๆ แล้วเราก็จะสามารถควบคุมความคิดได้พอเวลามานั่งความคิดก็จะไม่มาลบปวนใจเราก็จะนั่งได้นานเองไม่ต้องไปกําหนดเวลาให้กําหนดที่สติถ้าสติดีแล้วนั่งได้นานถ้าสติไม่ดีนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวก็ทนนั่งต่อไปไม่ได้คําถามจากคุณชนินค่ะ ภาวนาฟังความเงียบจากสิ่งรอบตัวหรือพุทโธต่อไปดีครับหรือทําสลับกันได้วันนี้ไปฟังหนังสือเสียงความเงียบของชาวต่างชาติมาครับอ๋อไม่ได้หรอต้องใช้พุทโธพุทโธเสียงความเงียบมันไม่ัมนไม่ด้มันไม่ได้หยุดความคิดของเราได้ต้องใช้พุทโธมันถึงจะหยุดได้คําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะ อยากบรรลุโสดาบันในชาตินี้แต่ยังต้องทํางานประจําเพื่อเลี้ยงชีพอยู่ปฏิบัติทานรักษาศีลและภาวนาอยู่ที่บ้านจะมีโอกาสถึงโสดาบันไหมเจ้าคะก็วันวันหยุดที่เราไม่ทํางานเราก็ไปปลีกวิเวกไปอยู่ตามสถานที่ปฏิบัติธรรมก็ถ้าปฏิบัติปฏิบัติที่บ้านนอาจจะมีอุปสรรคมีนิวรณ์ขวางกันถ้าอยากจะไปเร็วก็ควรที่จะไปหาที่สงบสงบนเวลาที่เราไม่ต้องไปทํางานก็จะ ทำให้การปฏิบัติเราเคลื่อนหน้าเร็วขึ้นแต่ถ้าอยากจะให้เร็วเต็มที่ก็ต้องไปบวชเลยคาถามจากคุณภาวินีค่ะขณะหนูนั่งสมาธิพุโทโธรู้สึก ร, รู้สติตลอดแต่มีอาการร้อนเหมือนอากาศร้อนเหงื่อออกก็ยังพุโทโธต่อแล้วเดี๋ยวก็สลับกับอาการหนาวเหมือนนั่งในห้องแอร์ก็ยังพุโทโธต่อไปทำไมถึงรู้สึกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเจ้าคะ ก็เป็นอนิจจังเยเป็นอนัตตามันเป็นอนิจจังทุกข์ทุกนาตามันเป็นสิ่งที่เราสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้มันจะปรากฏก็ปล่อยมันปรากฏไปเราอย่าไปทุกข์กับมันอย่าไปวุ่นวายกับมันเท่านั้นเองคําถามจากคุณจุธาทิพย์ค่ะการชําระภาษีไม่ตรงตามรายได้ถือเป็นการทําผิดศีลห้าไหมคะจะทําให้ไม่สามารถเป็นพระโสดาบันได้เลยไหมคะเอ่อ ก็มันก็เป็นการลักทรัพย์นระโสดามันจะไม่รักทรัพย์เพราะไม่เสียดายทรัพย์ยิ่งกว่ายิ่งกว่าธรรมคือศีลแธรรมเพราะฉะนั้นท่านจะไม่ไม่ไม่ไม่ชอโกงท่านต้องทาตามเป็นหนี้เขาเท่าไหร่ก็ต้องใช้หนี้เขาตามให้ครบจำนวนคำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะภาวนาไปนานเท่าไหร่ถึงจะเริ่มวิปัสสนาครับ อ, อ๋อจนกว่าเราจะเข้าฌานได้ถ้าจิตยังไม่รวมเป็นสมาธิยังไม่ต้องไปทางวิปัสสนาพยายามเจริญสติบ่อยๆทั้งขณะที่เรานั่งและขณะที่เราไม่นั่งไปก่อนเป็นกว่าเราสามารถมีสติที่จะหยุดใจให้เข้าฌานได้หลังจากนั้นพอเราจะออกจากฌานมาแล้วเราก็จะไปทางปัญญาต่อได้ คำถามจากทางอินบ็อกซ์ค่ะหากเราปรารถนาจะติดกระแสพระนิพพานในปัจจุบันชาติสามารถกระทำตนในสิ่งเหล่านี้ได้ไหมคะการเป็นนายหน้ารับจ๊อจํานองที่ดินการจุดทุบบอกพบภูมิเจ้าที่ให้ช่วยเรื่องกิจการงานการตั้งศาลเจ้าที่แบบประเพณีจีนในบ้านที่เราพักอาศัยและกำลังดาเนินกิจการคะกิจการงานี้ขาดเกี่ยวขางเป็นโซดาบัน ชาวดาวันเชื่อแต่เรงกฎแห่งกรรมอย่างเดียวทำดีได้ดีทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีส่วนการเป็นในหน้ารับจำนองที่ดินถ้าไม่ชอบกองก็ไดู้่านาซื่อสัตว์ตรงไปตรงมามีคำถามจากทางเฟซบุ๊กนะคะขอตัดคำถามให้สั้นลงนิดนึงค่ะคือจากมีท่านหนึ่งนิงเอ่ย การที่เราคิดถึงผู้มีพระคุณที่จากโลกนี้ไปแล้วแต่ก็ยังไปสถานที่ที่เคยไปด้วยกันบ่อยๆแล้วก็ไปเซลฟี่กันไ ป, ไปเซลฟี่กับสถานที่นั้น mm. เขามีข้อสงสัยว่าการที่เราไปล้ำเลิกความหลังไปเซลฟี่ถึงเขาเราจะกลับมาเกิดใหม่ในสถานที่นั้นบ่อยๆไหมคะหรือไปเกิดตามบุญตามกรรมในชาตินี้หรือทั้งสองอย่างประกอบกันคะข้าน้อยคิดถูกไหมที่ ตัดใจคิดว่าเร่งบรรพณธรรมอุทิศบุญให้เขาตลอดเวลาและเราบรรลุธรรมไปเจอเขาที่นิพพานดีกว่าค่ะถ้าต้องการที่จะไปนิพพานก็ไม่สนใจจะไปเจอใครก็ไม่เจอใครงั้นก็ให้เราเน้งปฏิบัติธรรมไปดีกว่าส่วนจะไปเจอใครข้างหน้าหรือไม่ไม่สาคัญตราบใดถ้าเรามีความสุขแล้วเจอใครหรือไม่เจอใครมันไม่มีมันไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด เจอก็ได้ไม่เจอก็ได้คําถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะขอคําอธิบายการฝึกชําระจิตให้สะอาดเราต้องฝึกอย่างไรบ้างคะก็ฝึกสมาธิก่อนทําจิตให้สงบพอจิตสงบจิตก็สะอ า, าชั่วคราวเพราะเวลาจิตสงบกิเลสตัณหามันไม่ได้ทํางานมันมันสงบตัวลงแล้วพอออกจากสมาธิมากิเลสตัณหาก็จะออกมาก็ใช้ปัญญาพิจารณาหยุด กิเลสตัณหาต่อไปพอหยุดกินเลยตัณหาได้ด้วยปัญญาแล้วกิเลสตัณหาก็จะไม่กลับมาอีกต่อไปก็จะชำนะให้ได้ส า, ารโดยสุดอย่างถ้าวรคคำถามจากทางเฟ e บ o o กค่ะ การที่เราให้เงินแม่ใช้เป็นประจำใช้ใจ่ายให้ทุกอย่างแต่แม่เอาเงินของเราไปให้น้องสาวใช้จนเรารู้สึกว่ามันเยอะเกินไปตักเตือนหลายครั้งก็ยังทำเหมือนเดิมจนเรางดจ่ายเงินให้แม่เราจะบาปไหมคะแล้วเราต้องตักเตือนยังไงคะไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่ามันไม่ได้บุญการให้เงินพ่อแม่นี่เป็นการทำบุญ เงนพ่อแม่จะไปให้ใครเป็นเรื่องของพ่อแม่เข า, เาไม่มิเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปก้าวก่ในการใช้เงินใช้ทองของพ่อแม่ถ้าเราคิดว่าท่านใช้เกินไม่ควรจะไม่ควรจะเก็บเอาไว้เราก็เก็บไว้แทนท่านก็ได้แบ่งเก็บไว้บ้างในเวลาที่ท่านไม่มีเราก็จะได้เอาเงินส่วนนี้แต่เราอยากไปใช้เองต้องถือว่าเป็นเงินที่เราจะให้พ่อแม่เาะบางทีพ่อแม่เข้าใจอ่อนองสนนนองสารลูกคนนั้นสงสารลูกคนนี้ ก็ต้องไปช่วยเขาแล้วตัวเองก็เลยลำบากถ้าอย่างนี้ถ้าเป็นกรณีอย่างนี้เราก็แบ่งไว้ส่วนหนึ่งให้ไว้ไว้ส่วนหนึ่งแล้วแม่จะไปทำบุญให้ใครก็เรื่องเรื่องของแม่แล้วเวลาแม่ขาดแคลไม่มีเงินใช้แล้วก็เงินส่วนที่เราเก็บไว้ให้แม่นี้เอามาให้แม่อีกทีหนึง่งหมดแล้วยังยังไม่มีคำถามค่ะคมีใครอยากจะถามอะไรมเชิญ ถ, ถามได้นะ ถ้าไม่ถามเดี๋ยวพอเลิกแล้วก็ขออนุญาตไม่ตอบนะเพราะไม่มีเสียงนะอน้ญาตสายเสียงไมโคก็ฟนช่วยถ้าอย่างนั้นก้าวแค่นี้ก่อนสำหรับวันนี้ขอให้ท่านยงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด